Thank you. ที่ทิ้แล้วก่อนที่จะไปก่อนที่จะมาเข้อบรรษาไปบรรยายที่สาาเที่อย่างหนึ่งในกรุงเทพบรรยายเสร็จก็มีคนถาม ว, าว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงหรือเป็นไปได้ไมมว่าพุทธเจ้านี่ไม่มีจริงแต่ว่าแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือทาให้คนเนี่ย มีศรัทธาในคำสอนนะที่จะลึกไวในพระไตรปิฎกเนะีนะ่ยคำถามออกมาทำนองนั้นจริงๆเวลาคนตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยหลายคนได้ฟังแล้วก็จะไม่พอใจนะหาว่านะไม่ใช่ชาวพุทธบางละนะหรือว่าหาว่าเป็นพวกนอกาศาสนานะเคยมี ถ้าเขียนชื่อดังเนี่ยเมื่อยี่กว่าปีที่แล้วเนี่ยตั้งคาถามทํานองเนี่ยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าไม่มีจริงมั่งก็โดนวิจารกันน่าดูแต่ได้จริงเรื่องแบบนี้นี่ถามได้นะตั้งคําถามได้ก็ตอบเข้าไปว่าใ น, านาทัศนคชาพุทธเนี่ยเราก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแต่ว่าถึงแม้จะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งสําคัญเท่าไหร่นะ เพราะเหตุว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าหลักธรรมหรือคำสอนของพระองค์เนี่ยนะมันจริงไหมปฏิบัติแล้วได้ผลหรือเปล่าอันนี้สำคัญกว่าพุทธศาสนาต่างจากศาสนาอื่นนะอย่างเช่นศาสนาคริสต์เนี่ยถ้าหากว่าไปพูดว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่มีจริงเนี่ยนี่เป็นเรื่องใหญ่นะ ยิงถ้าไปหาหลักฐานมาชี้ว่าเนี่ยพระเยซูคริสต์ไม่มีจริงอันนี้เนี่ยมันมีผลกระทบมากนะต่อความเชื่อต่อศรัทธาของชาวคริสต์เพราะว่าชาวคริสต์เขาเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าคําสอนอในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะโดยเพาะคัมภีร์ใหม่เนี่ยแล้ก็ต้องอิงอยู่ความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยมีจริงเพราะคําสอนเขาเนี่ย เน้นที่ศรัทธาในพระเจ้าอันนี้ก็คงจะเหมือนกับาศาสนา i สลามเนี่ยที่ต้องเชื่อว่ า, าศาสนามุฮัมมัดนี้มีจริงนะเพราะถ้าไม่มีจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคำพิ่งอักุรอานเนี่ยก็ถือว่ามาจากะจะเรียกว่าเป็นว่าพระวจนะของพระเจ้าก็ได้ที่เปิดเผยมาทางาศาสนามุฮัมหมัด แต่ว่าทางศาสนาพุทธเราไม่มีความเชื่อแบบนั้นเรามองว่าเอาคำสอนพู้เจ้าเนี่ยไม่ได้อิงอยู่กับพระเจ้าหรือใครแม้แต่พู้เจ้าก็ไม่ใช่เป็นเป็นมนุษย์สักเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่อิงหรือตั้งอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติธรรมะคือกฎธรรมชาติและธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นสัจธรรมเป็นอากาลิโก ก็คือว่าไม่ว่าสถานที่ใดเวลาใดนะธรรมชาติก็ยังคงอยู่อย่างนั้นคันนี้เนี่ยสําหรับการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเชื่อต้องเชื่อกว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่นะจริงอยู่ชาวพุทธเราก็ต้องมีศรัทธานในพระันตนนัดไตรก็ต้องเริ่มต้นจากความศรัทธานในพระตนัดไตรแต่ถึงแม้เป็นคนที่ไม่มีศรัทธานในพระรัตนตรเนี่ย ถ้าเอาธรรมะของพระองค์ไปปฏิบัติเนี่ยคำถามเพื่อจริงไหมคําสอนพระองค์จริงไหมอย่างเช่นความทุกข์เนี่ยนะทุกสิบสองอาการเนี่ยสิบสองอาการที่เราสาธยายเนะี่ยทุกวันเนี่ยมันจริงไหมเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจริงหรือเปล่านะแล้วความทุงคนเราเนี่ยนะมันก็หนีไม่พ้นนะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก นะก็เป็นทุกข์พัดพราดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ฉะนั้นนะก็เป็นทุกข์นะความทุกข์คนร่ำก็ไม่ได้พ้นไปจากสามข้อนี้เลยนะโดยเพราะความทุกข์ใจแต่ว่าพระองค์เนี่ยหรือคําสอนพระองค์นี้ไปลึกกว่า น, นั้นนะอธิบายด้วยว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันเพราะอะไรนะก็เพราะว่าขันทั้งห้ามมันเป็นตัวทุกข์นะตัวทุกข์ในที่นี้เนี่ยหมายความว่ามันพร่องมันไม่สมบูรณ์มัน มีความขัดแย้งอยู่ภายในเพราะว่ามันประกอบขึ้นจากเหตุปัจจัยมากมายและเหตุปัจจัยเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะอย่างร่างกายเราเนี่ยนะมันก็ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆมากมายนะลงลึกไปถึงระดับเซลล์แล้วก็มีการเกิดดับดับแล้วมีการสร้างใหม่ถ้าสร้างใหม่ได้ดีนะ หาก็อยู่ได้นานมีสุขภาพปกติถ้าดับแล้วสร้างใหม่ไอเซอร์ที่สร้างใหม่เกิดเพี้ยนนะมันก็ทำให้อวัยวะส่วนนั้นเนี่ยทำงานไม่ได้ไม่ดีหรือว่าเผลอมีโรคเช่นมะเร็งพออวัยวะนะเกสิบเก้าเปอร์เซ็นดีแต่ว่ามีอีกหนึ่งเปอร์เซ็นตไม่ดีเช่นเป็นมะเร็งเนี่ยหรือว่าหัวใจอ่หลอดเลือดมัน ที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนนั้นมันอุดตันเช่นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยมันก็รวนกันไปหมดนะสุดท้ายก็ป่วยและตายอันนี้ก็เรียกว่ามันมีความพร่องนะอันนี้จริงไหมก็ต้องพิจารณานะถ้าจริงน ะ, ะก็ลองนำเอาความรู้หรือความจริงเหล่านั้นนำไปใช้กับชีวิตไปวางจิตวางใจให้ถูกต้อง นอกจากคำสอนพระองคจจริงหรือเปล่าแล้วเนี่ยก็ต้องถามว่านำไปปฏิบัติแล้วได้ผลไหมปฏิบัติแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าเช่นสีห้าเนี่ยนะหรือว่าการฝึกจิตนให้มีสมาธิทำแล้วเนี่ยมีความสุขขึ้นไหมกลายจากความทุกข์หรือเปล่าแก้ปัญหาชีวิตได้ไหมนี่ตรงนี้คือสิ่งสาคัญกว่านะสาหรับพุทธศาสนาเนี่ย ไม่ต้องเชื่อก็ได้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะแต่ว่าขอให้ลองเอาไปปฏิบัติเพราะถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยนะมันก็จะดีกับตัวเองด้วยแล้วก็ทำให้สังคมส่วนรวมชุมชนรอบข้างเนี่ยเขาสงบร่มเย็นนะอันนี้พอไปปฏิบัติแล้วเนี่ยนะในที่สุดก็จะก็จะเริ่มเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยนะต้องมีจริงแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่มีจริงเนี่ยนะ ใครละ่ะที่จะค้นพบคําสอนทั้งศัจธรรมและข้อปฏิบัติที่มันเป็นความจริงและแก้ปัญหาชีวิตได้จริงอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งสําคัญที่ชาวพุทธเราควรตระหนักนะใครเขาจะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงก็อย่าไปโกรธเขาถึงแม้ว่าเขาจะอ้างตัวเป็นชาวพุทธหรือว่าเขาเกี่ยวตัวเป็นชาวพุทธแต่เขาสงสัย จิงๆุถุชนนะมันก็ต้องมีวิจิตรฉาเป็นธรรมดาตาบใดที่ยังไม่เป็นพระอริยะเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันีก็ต้องมีวิจิกิจฉานะคนเราเนี่ยตาบใดที่ยังไม่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเนี่ยมันก็ต้องมีวิจิกิจฉาบางช่วงบางขณะก็ต้องสงสัยว่าพุทเจ้ามีจริงไหมบางช่วงก็สงสัยว่าธรรมะมีจริงไหม คำสอนเรื่องกรรมเนี่ยจริงหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วเนะี่ยความสงสัยหรือวิจิกิจฉาเนี่ยมันมีกับมนุษย์ทุกคนที่เป็นปุถุชนนะนั่นอย่าไปหลอกตัวเองว่าเราน ะ, ะมีความมีความมีความเชื่อแน่นแฟ้นไม่มีความสงสัยแล้วแล้วคันใครสงสัยว่าพระรัตนตยมีจริงไหมพระเจ้ามีจริงหรือเปล่านีก็อย่าไปโกรธเขาเพราะมันเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนนะ และยิ่งยังไม่ได้เข้าใจคําสอนเนี่ยก็อาจจะมีความเชื่อแบบนีไ้ไดนะ้แต่ถึงไม่เชื่อนะว่าพระเจ้ามีจริงแต่ลองเอาคําสอนของพระองค์ไปปฏิบัตินะถ้ามันไม่ได้ผลมันไม่ได้เรื่องจริงเออก็ค่อยก็ค่อยปฏิเสธนะพุทธศาสนาแต่ถ้าพิจารณาและเห็นจริงนะ สิ่งที่พระเจ้าตรัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอริย ส, รสัจเศษนี่มันมันจริงนะมันมีเหตุมีผลนะแล้วก็ไม่ใช่แค่พิจารณ า, าเดียวนะต้องเอาไปปฏิบัติด้วยนะตรงที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะัคือเอาไปปฏิบัติไม่ใช่แค่คิดเอาคิดเอาด้วยเหตุด้วยผลนี่มันก็ยังไม่สําคัญท่อว่าปฏิบัติจนเห็นจริงด้วยตัวเองไม่ต้องเชื่อใครนะในกลธรรมสูตรเนี่ยสิบประการเนข้อสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะ สมณะผู้นี้เป็นครูของเรานะอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าพุทธเจ้าตรัสแล้วเราเชื่อนะอันนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นชาวพุทธต้องปฏิบัติจนเห็นจริงว่าโอ้นี่คือกุศลนี่เป็นอกุศลนี้ทําแล้วเป็นโทษอันนี้ทําแล้วเกิดประโยชน์ไอ้คาข้อสุดท้ายเนี่ยข้อสิบอ่าเชื่อผู้พูดเป็นครูของเราสมณะที่เป็นครูของเราเนี่ยก็อาจจะขยายความไปถึงว่าแม่ไม่เชื่อพุทธเจ้ามีจริงนะก็ เอาคำสอนของพระองค์เนี่ยหรือเชื่อเป็นของพระองค์เนี่ยนําไปพิจารณาแล้วไปปฏิบัติจริงๆคําสอนหลายอย่างนะมันก็อาจจะไม่มีความจริงรองรับอยู่ก็ได้เช่นนิทานอีศพเนี่ยนิทานอีศพเนี่ยนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องกระต่ายกับเต่าบ้างละนะเรื่องหมาป่ากับลูกแกะบ้างละราชสีกับหนูบ้างละสัตเหล่านี้คุยกันได้นะ ก็ตายคุยกับเต่านะแล้วก็ราชสีคุยกับหนูในความจริงมันคุยกันได้หรือเปล่านะมันรู้ภาษากันหรือเปล่านะเราก็รู้นะว่ามันเป็นเรื่องแต่งแต่ถามมีประโยชน์มหมนี่ถานที่สมนี่มีประโยชน์นะไม่ว่ากับเด็กหรือกระทั่งผู้ใหญ่ะก็ตายกับเตาก็ดีราชสีกับหนูก็ดีเนี่ยดีประโยชน์สอนใจ เป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่ประมาทนะเป็นเครื่องสอนใจให้รู้จักทอมตนอย่า ด, ดูอย่าไปดูถูกดูแคลนคนอื่นแม้จะดูเหมือนว่าเขาไม่มีน้ำยาอะไรอย่างเช่นราชสีก็ไปดูถูกหนูว่าแกจะช่วยอะไรชันได้นะสุดท้ายหนูก็ช่วยราชศรีราชศีให้พ้นจากนะกับดักของพรานได้ที่านิสงเนี่ยก็ร่วมไม่จริงแต่งเอาทั้งนั้นแหละศาสตร์อะไรพูดกันได้ แต่ทำไมนิทานอิศพจึงยังสืบทอดยังยืนมาจนถึงทุกวันนี้ 2,000 3,000 ปีแล้วก็เพราะมันมีประโยชน์นะแต่พระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีความลึกซึ้งนะยิ่งกว่านิทานอิศพเยอะนะเพราะว่าถ้านำไปปฏิบัติอย่างจริงจังก็พ้นทุกข์ได้โดยเพราะสติปัฏฐานสี่นะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจนะของคำสอนของพุทธเจ้าอ่า พุทเจ้าตรัว่าเป็นทางสายตรงที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์สายตรงคือทางลัดนะนะนไทยใครที่นำเอาหลักสติปัฏฐานสี่ไปใช้นะไปพิจารณาไปปฏิบัติเนี่ยเชื่อในเดียวว่านะจะปลดเปื้องจิตใจงตนจากความทุกข์นะได้มากขึ้นไปลํลำดับนะจนถึงขั้นเรียกว่าพ้นทุกข์เลย แต่ถึงขั้นยังไม่ยังไม่ถึงขั้นพ้นทุกอย่างสิ้นเชิญเนี่ยเมื่อปฏิบัติไปแล้วเห็นผลเนี่ยในที่สุดก็จะเชื่อว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยไม่ใช่แค่จริงเท่านั้นมีประโยชน์เท่านั้นแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นที่มาของคำสอนนั้นเนี่ยก็ย่อมมีจริงด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยจะค้นพบจะมีใครค้นพบคําสอนหรือหลักธรรมนี้ที่ลึกซึ้งนี้ได้อย่างไรเนี่ยประเด็นหลายประเด็นเนี่ย จะว่าไปแล้วเนี่ยพุทธศาสนาก็ไม่ได้เห็นความสําคัญของการต้องมาโต้เถียงนับว่าจริงหรือไม่จริงตราบใดที่มันยังไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหรือเป็นเรื่องของปัจจุบันที่จะแก้ทุกข์ในปัจจุบันได้นะพุทธเจ้าจะมีจริงหรือไม่ก็ไม่สําคัญแต่สําคัญคือว่าตอนเนี้มีทุกข์หรือเปล่าและอยากจะแก้ทุกข์ไหมนะแม้แต่เรื่องนรกสวรรค์เนี่ยนะซึ่งในพระไตรปิฎกก็มีเยอะ นะแต่ผู้เจ้าก็ก็เตือนว่าอย่าไปถกเถียงกันว่ามีจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันหาข้อพิสูจน์นะมายืนยันเนี่ยได้ยากถึงแม้จะมีคนมาพูดว่านรกสวรรค์มีจริงก็จะมีข้อแย้งอยู่ลำไปนะพระองค์จึงอบอกว่าอย่าไปเถียงกันแต่ให้คิดแบบนี้นะว่าถ้าสมมตินรกสวรรค์มีจริง นะเราก็แล้วเราทำความดีนะถ้าเราทำความดีเนี่ยนะเราก็จะได้รับความสุขในชีวิตนี้ในภพนี้ล้วเกิดมีสวรรค์จริงชาติหน้ามีจริงนะเราก็จะได้รับประโยชน์สุขหรือว่าได้มีความสุขในภพหน้าด้วยเช่นได้ไปเกิดในสวรรค์นะแต่ถึงแม้ไม่มีจริงอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์สุข ในภพนี้ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่ามีนรกนะแล้วเราไม่ทำความดีนอกจากจะประสบทุกขนะ์อยู่ร้อนนอนทุกข์ในภพนี้แล้วภพหน้าก็ยังต้องไปรับอิบากนะรับเคราะห์นะต้องไปประสบทุกข์อีกแต่ถ้าไม่มีนรกอย่าง น, น้อยๆเนี่ยก็ต้องเจอความทุกข์ในภพนี้พูดง่ายคือว่า จะเชื่อว่ามีนรกหรือสวรรค์หรือไม่ก็ตามเนี่ยนะทำดีไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยได้ประโยชน์แน่หนึ่งส่วนก็คือได้ประโยชน์สุขในภพนี้นะแล้วถ้าตัวมีสวรรค์จริงๆก็ได้ได้อีกหนึ่งส่วนนะเรียกว่าได้สองเด้งเลยนะแต่ถึงไม่มีสวรรค์ก็เด้งน้อยก็ได้หนึ่งเด้งตรงข้ามถ้าเกิดว่าไม่เช่วยมีนรกไม่ช่วมีมีนรกนะแล้วก็ทำชั่วนะ ก็ได้รับโทษเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเด้งแล้วเกิดมีนรกจริงๆเนี่ยเจออีกเด้งเป็นเด้งที่สองนะก็คือต้องไปสยอยทุกในพบหน้าเช่นตกนรกปลายบายคิดแบบนี้แล้วเนี่ยใช้เหตุผลพิจารณาแบบนี้แล้วเนี่ยทำความดีดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมันได้ประโยชน์แน่นะอย่างน้อยก็หนึ่งส่วนนะถ้าไม่ทำดีทำชั่วนะ ก็อันตรายมากนะเพราะว่าอาจจะเจอก็ไปสองเด้งเลยนะทั้งทุกในภพนี้แล้ทุกในภพหน้าอันคิดแบบนี้ก็พอนะมันก็ทําให้เห็นว่าจะมีโนรกสวรรค์ไม่หรือไม่ก็ตามเนี่ยทํำดีเอาไว้ก่อนนะเป็นหลักประกันน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นี่เป็นนี่เป็ น, น, ปนสิ่งที่สําคัญมากกว่านะจะไปเสียเวลาทุ่มเทงก็มีโนรกนรกสวรรค์หรือไม่มีชาตินี้ชาติหน้าหรือไม่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะสิ่งท้่มาอยู่ที่ว่า ทำความดีกันดีกว่านะเพราะถ้าทำความดีแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์แน่นอนนะถึงแม้ชาติหน้าไม่มีชาตินี้ก็ได้รับอนิสงฆ์แล้วแล้วยิ่งถ้ามีเนี่ยก็ถกได้รางวัลนะแถมพ่วงเข้าไปอีกอันนี้เป็นมุมมองพุทธศาสนานะก็คือจะไม่มาถกเถียงกันว่าไอ้เรื่องที่ไกลตัวนี่มีจริงไหมนะแต่เอาเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนดีกว่านะเจ้าจะมีจริงหรือไม่นะ แต่ต่อไปที่เรามีความทุกข์ลองเอาคําสอนลงไปปฏิบัตินะถ้ามันแก้ทุกข์ได้เนี่ยนะอันนี้ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็จะ <c oughs> สุดท้ายก็จะเชื่อเองนะว่าพูะเจา้านี้มีจริงนะอันนี้พอเชื่อแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตามมาอีกหลายอย่างนะเพราะว่าในการที่คนเราจะจะทำความเพียรเนี่ยศรัทธาเป็นสิ่งสําคัญนะ มันทำให้การปฏิบัติเนี่ยมีความยั่งยืนต่อเนื่องไม่ทอ้ทอถอยง่ายๆเพราะถ้าเรามีความเชื่อแล้วเนี่ยถึงแม้ผลยังไม่ปรากฏเช่นเราเชื่อว่าทำทาดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยนะถึงแม้ว่าตอนนี้เราทำดีแล้วยังยังยังยังประสบอุปสรรคหลายอย่างเราทำทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะแต่ว่า ชีวิตยังไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเท่าไหร่แต่เราก็ยังเชื่อว่าทำดีได้ดีแน่นอนอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็พยายามทำดีเรื่อยไปสุดท้ายเนี่ยผลแห่งความดีย่อมปรากฏเมื่อผลแห่งความดีปรากฏเราก็เชื่อเลยว่าเออทำดีได้ดีจริงๆแต่ก็ต้องก็ต้องเข้าใจว่าผลแห่งความดีนี่หมายถึงอะไรผลแห่งความดีนี่หมายถึงผลแห่งความดีที่เป็น ไปตามกฎธรรมชาตินะเช่นปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงส่วนปลูกมะม่วงแล้วจะรวยหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ว่าปลูกมะม่วงแล้วจะรวยพระเจ้าไม่สอนอย่างนั้นพระเจ้าบอกสอนว่าปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงหวานพืชเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้นปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงแต่บางคนเขาจะปลูกมะม่วงแล้วต้องรวยนะพอปลูกมะม่วงแล้วไม่รวยเพราะว่าราคามันตกะ ทุกเลยแล้วก็ไปโทษว่าผู้เจ้าสอนผิดเนะี่ที่จริงผู้เจ้าสอนถูกแล้วแต่เราไปเข้าใจผิดนะเพราะว่าปลูกมะม่วงแล้วเนี่ยนะมันจะรวยหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาตลาดนะราคาในตลาดบางช่วงบางฤ ด, ดูกาลนะราคามะม่ว ง, งมันสูงนะถ้าปลูกมะม่วงตอนนั้นได้ผลตอนนั้นก็รายได้ดีรวย แต่บางช่วงบางเทศกาลบางเดือนนะตลาดมันเรียกว่ามะม่วงล้นตลาดมะม่วงก็ราคาตกปลูกไปแล้วก็บางทีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายก็อาจเป็นนี่เป็นศีล น, นะอันนี้จะไปโทษ ก, กฎแห่งกรรมไม่ได้จะไปโทษ ธ, ธรรมชาติไม่ได้มันเป็นเรื่องของกติกาของสังคม กติกาของสังคมเนี่ยเช่นราคาตลาดราคามะม่วงเป็นเรื่องของกติกาของสังคมมันไม่ใช่เป็นเรื่องกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติคือว่าปลูกมะม่วงได้มะม่วงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําดีได้ดีเนี่ยนะก็หมายความว่าทําดีแล้วเนี่ยมันอย่างน้อยมันดีที่ใจทําดีเดี๋ยวนั้นทําดีตรงนั้นก็ได้ดีเดี๋ยวนั้นก็คือจิตใจสงบเย็นสบายไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจส่วนทําดีแล้วเช่นซื้อสาสุจริตแล้วเนี่ยนะ จะเจรินก้าวหน้าในอาชีพการงานได้รับการเลื่อนขั้นหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมชาตินะมันขึ้นอยู่กับเจ้านายมันขึ้นอยู่กับระบบมันขึ้นอยู่กับองค์กรหรือหน่วยราชการถ้าหน่วยราชการเวลานั้นเนี่ยมันมีการคอรัปชันมากมายมันมคนไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ม่มีศีลนะเห็นเงินและเส้นสายเป็นเรื่องสําคัญเนะสื้อสักสุดจลิต ก็อาจจะไม่เจริญก้าวหน้านะแต่ว่าใจเนี่ยสบายแน่ใจมีความสุขแน่แต่ถ้าวางใจผิดนะอันนี้ก็เป็นกรรมแบบหนึ่งเหมือนกันนะวางใจผิดว่าหรือเข้าใจผิดว่าสื่อศาสตรสุดิเรตเราจะต้องรวยนะ่าจะต้องมีอาชีพการงานมั่นคงเจริญก้าวหน้าเนี่ยอันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดเมื่อมีความเข้าใจผิดก็อาจจะเกิดโทษได้นะ อาจจะเกิดผลในทางที่เป็นโทษได้ก็คือเกิดความรุ่มร้อนใจเกิดความลังเลสงสัยว่าทําไมทําดีแล้วไม่ได้ดีมันไม่ใช่ทําดีล้วนวนรอเเ็นะเพราะมันเียวไปด้วยความเข้าใจผิดนะถึงแม้จะมีความซื่อสัต์สุจริตแต่มีความเข้าใจผิดว่าสุจริตแล้วจะต้องรวยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะเพราะไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม เมื่อเข้าใจผิดเนี่ยก็อาจจะเกิดโทษนะคือเกิดความทุกข์ได้นะนั้นจึงบอกนั้นที่ตัวเองเนี่ยจะมีความทุกข์อยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าทำดีแล้วมันไม่ได้ดีแต่เป็นพ่อยังไม่ได้ดีจริงนะยังไม่ใช่ทําดีจริงซึ่อสัจสุด จ, จ, จริงแต่ว่ามันมีมันเจอไปได้วยความเข้าใจผิดนะวางใจผิดไอวางใจผิดเนี่ยนะมันก็ย่อมทําให้เกิดโทษตามหลักกฎแห่งกรรม ถ้าวางใจถูกก็ย่อมเกิดประโยชน์เกิดคุณอันนี้ก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติเข้าใจาให้ดีนะว่าเวลาบอกว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยบางทีก็ต้องไปถามตัวเองว่าทําดีจริงไหมนะวางใจถูกหรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดว่าซื่อสัตย์สุจริตด้วยทําวางใจถูกด้วยเนี่ยก็ต้องรอหน่อยนะต้องรอหน่อยเพราะว่าบางทีผลมันใช้เวลา มันก็ปลูกมะม่วงนะปลูกวันนี้จะเอาพรุ่งนี้ปลูกมะม่วงวันนี้เนี่ยอย่าให้พรุ่งนี้มันออกดอกออกผลแล้วเป็นไปไม่ได้ะปลูกมะม่วงนี่กว่ามะม่วงจะโตกว่ามันจะออกดอกออกผลโอใช้เวลาเป็นปีนะพอมะม่วงไม่โตหรือโตแล้วยังไม่ออกผลเนี่ยเพราะว่าเพิ่งปลูกไปได้หกเดือนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมปลูกมะม่วงแล้วไม่ได้มะม่วงเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะ มันมันต้องได้แน่ผลมะม่วงแต่มันต้องใช้เวลาความดีจะส่งผลก็ต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่าทําวันนี้จะได้ผลวันพรุ่งนี้หรือว่าจะได้ผลเดือนหน้าบางทีมันใช้เวลานานกว่า น, นั้นนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะอันนี้พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยถ้าทําดีแล้วได้ดีจริงๆนะเออเห็นผลแห่งความดีที่ได้ทํามันก็ทําให้เราเชื่อมีศรัทธามากขึ้นในกฎแห่งกรรม ในจำนวนเดียวกันถ้าเรานำคำสอนพระองค์ไปปฏิบัตินะไม่โมวแต่ไปคิดว่าเออผู้เจ้ามีจริงนะผู้เจ้านิสุดยอดเลยเป็นยอดมนุษย์แล้วก็จบไม่ทำอะไรเลยอันนี้ในสุดนั่นก็จะเกิดความเกิดวิจิกิจฉาเกิดความลองระสงสัยขึ้นมาว่าพระองค์มีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มัวแต่พอใจขานาดเรานำเอาคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะเรื่องทานเรื่องศีลแต่รวมถึงเรื่องภาวนานะ ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นแจ้งในสัจธรรมความจริงไม่ใช่ทําแต่ความดีนะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่สอนแต่เรื่องการทําดีแต่สอนเรื่องการเห็นแจ้งในความจริงด้วยพอได้เห็นชัดทะลุในความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญญาชนิดที่ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความทุกข์ของมนุษย์โดยเพราะทุกข์ใจเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็เกิดจากความหลง เกิจากอวิชชาถ้าพอมีปัญญาแจ่มแจ้งเนี่ยอวิชชาดับไปนะความทุกข์ก็หมดไปด้วยทุกกายยังมีอยู่ยังต้องแก่ต้องเจ็บยังต้องพัดภาคสูญเสียเพราะว่าไอ้ความแก่ความเจ็บมันเป็นเรื่องของสังขารร่างกายซึ่งเป็นตัวทุกข์นะรูปก็เป็นตัวทุกข์ทรัพย์สมบัตินะก็เป็นรูปซึ่งก็เป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์ในที่นี้หมายถึงทุกข์ใน ไตรักนะแม้แต่ทรัพย์สมบัตกิก็ยังทุกข์นะแต่มันไม่ใช่ทุกข์เพราะมีเวทนาบีบขันแต่เป็นทุกข์เพราะมันพร่องมันไม่สมบูรณ์มันก็ต้องเสื่อมต้องดับต้องสลายไปและสุกก็ต้องพัดพาจากเราไปแต่ว่าใจไม่ทุกข์เพราะใจเนี่ยเห็นความจริงนะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะจิตใจไม่ยึดติดถือมั่นนะอันนี้มันต้องเกิดจากการปฏิบัตินะ ไม่ใช่แค่คิดเอาคิดเอาเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะพอปฏิบัติแล้วเห็นจริงแล้วก็จะเกิดศรัทธาในพระตนัดไตรยอย่หลวงพ่ อ, พอเขีนเนี่ยพอท่านปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ท่านเห็นเข้าใจเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเนี่ยโอ้ท่านบอกว่ามันไม่มีความรงแวงสงสัยเลยนะในในในในเรื่องของของธรรมะเนี่ยแต่ตาใจที่ยังไม่เห็นธรรมเนี่ยมันก็ยังมีความระแวงสงสัย เดีนะ๋ยวไปคิดว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันเนี่ยเราลึกถึงพระธรรมนัตราทุกวันเนี่ยมันจะไม่มีความสงสัยมันยังมีวิจิกิจฉาอยู่เพราะเรายังไปปุตตชนนะเพียงแต่เราบางช่วงบางบางเวลาอาจจะไม่มีความรังเลสงสัยแต่ถ้าเกิดคนนึ่งเขาจะลังเลสงสัยขึ้นมาก็จะไปว่าเขาจะไปประ น, นามเขานะแต่พยายามชี้แจงเขาว่าเออสงสัยไม่เป็นไร ผู้ใจมีจริงหรือไม่ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาทุ่มเทียงกันที่จริงจะเอาหลักฐานมายืนยันก็คงจะได้นะแต่ว่ามันเสียเวลาเพราะว่าก็จะต้องมีข้อยางอยู่ล่าไปแต่ถ้าเกิดเอาแนะนําให้เขานําเอาธรรมะไปปฏิบัติอันนี้จะดีกว่าพิจารณาว่าจริงไหมปฏิบัติแล้วได้ผลดีหรือเปล่าความทุกข์ลดลงไหมสงบเย็นเพิ่มขึ้นไหมอันนี้คือสิ่งสําคัญกว่านะ อ่าชาเนียพกับเท่นี้อ่ะกลับพัก